วันนี้วันที่แดมิถุนายนพุทธศักราช2 5งพันห้า้อ้บสมณีหลวงพ่อคิดว่าจะไปกราบเยี่ยมหลวงปูจ่จัมหลวงอาอายุพันลอยสองปีกว่าแล้วดย์สองปีเต็มเมื่อวันที่สิบเกพุทธสภาเนะ่แต่พันประจัดงานดอกหลวงปูจ่จัมหลวงอาอ า, าจัดกันอ า, าจัด วันเกิดวันแก้วันใดเกิดเป็นวันมืดเนะี่ยก็เลยผมมีผู้ใดจัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีแต่จัดงานมั่นสงพระผาดเดือนสามเพ่นกับเดือนหกเพ่นในวันในวัดของเพลิลนจัดเป็นงานสงพระผาระผาดเป็นหลายได้ลงปูแล้วก็สงผาดอะไรก็แล้วละเป็นกับผู้จัดอีกอย่าง กะถิน ก, บกะนนกบม่มีกะินเพิ่นกะบ่ห้มีกะถิ่นในวัดเพิน่นแต่ไหนแต่ไล่มาแล้วก็วันที่สิบเก้าที่ผ่านมาเน่ยวันที่สิบเก้าพุทธภาห้าสี่เนี่ยเป็นวันลอยสองปีหลวงอาหลวงปู่จามเนี่ยเป็นน่องย่อมพอของหลวงพอ่อแ ท, ะ ท, ะทะ้ๆและเป็นคนที่สามเป็นน่องคนที่สามของย่อมพอ แต่หลวงพ่อก็จะไปกราบเพ่นถึงแต่วันที24ป่ะ24 2 5ผ่ามีหน้าจังปางพุ่นอะไรไปอีกวันนัน่นพอสงคว้นละขนายจะไปสภาพเขาไปกราบเพ่นแต่เป็นกระทู้โทรศัพท์ให้นั่นถามไทยเพปัญญรกว่าเพิ่นเป็นจยางไรเพิ่นก็ว่า ลูกหลานก็นบอกบอกว่าปนสบายดีอยู่ช่วงนี้ไข้เติบยู่รับแต่ก็สบายแบบผู้เฒ่าน่ะสามวันดี4ีวันไข่หลวงพ่อก็ไปตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนมีนากนงานของคุณแมชี่แก้วคุณแมงานของคุณแม่เข้ากับวันที่ยสิบเจ็ดไปมอบหลวงพ่อไปสางเม่นให้ชาวบ้านหวยทราย มดไปสามลานกว่าได้ทั้งหมดทั้งเมนพร้อมทั้งสลาพักศพพร้อมห้องน้ำห้องสวงใครข้าวแบพร้อมออสม ร, าารมส้างให้พร้อมก็เลยไปหมอไปเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ยี่สบ้ามีนาคมเรียบร้อยเลยก็เลยกลับมาก็เลยบริยูงานของคุณแม่ชื่อแก้วเพราะว่า ทุ่กระมอมฝ่ายหญิงเสด็จวัดท่าวันที่27หลวงพอ่อเลกลับกลับมาวันที่ยี่สหก้าวันที่ยี่ผ่าหลวงพ่อกลับมาจากนั้นมากับบุญเลไป อ, อีกคือทวงหลงอาอยู่หลวงปู่จามอยู่ไปก็โดยมากเขาไปเอาพวกผ่าเนี่แหละพวกผ่าที่เพิ่งค่อยใส่พวกผ่าไหมพวกผ่านูก็กจําเป็นได้ใส่บ่อย ไปเทระเทือนุพ่อก็นั่นะให้พกผ้าเย็บพกผ้าอังสะพกผ้าไม้ปีที่แล้วก็ถวายผ้าจีบอนสังฆติถวายคนเพราะว่าผู้เถาเดี๋ยวคนเยี่ยวลาดเดี๋ยวคนอุนจจาระลาดลาดนาลาดหลังต่ำจำเป็นเลยใช่พกผ้าแต่เฮาก็จะไปหาคดวาด ผู้อื่นเขาจี่ถวายแล้วล่ะนะกาไมานคือจึงสันสุขขนเลยจะในรบานีลยผู้นัน้นคือคุดโตผู้นัน้นผู้นัน้นคือคุดโตผูน้นีเอาไปมลงผาลงปูสิผมมีผานุง่ง <c oughs> กันมาคิดเอาไปหลายโพดมีต่ผัวเอาไปมันก็หลายโพดจนบมมีหม่งเก็บมอันนี้ห้าก็ต้องไปถามมึงขึ้นกันเออมี ่าไม่ผูถวายหลายบอ่อนเอาไปถามมองบ่าหลายครับเพราะพู่จะตัดผามาถวายเพิ่นก็น้อยตัดแทนได้ขนาดเพล่นเพล่นตัวเตียเต๋ยได้ที่จะไหวผ า, าตลาดเข้าไปมึงก็บบไอไรนุร่งบ่อไรล่ะเอออดแอววจนหอดพุนะน่นล่ะหลากคนถิ่นหมดละมองเพิ่นตัวเตีย๋ยเด้ใส่บ่อไร จะเป็นผ่าขึ้นกันกรแมนอยู่ผ่าเหลืองอยู่แต่มันกับอันนึงเสือลูกอันนึงเสือพร่างทังสัตว์แะมันนุ่นนงใช้กันบ่ไรอันหนึ่งขึ้นกันผ่พาพรนะเปิงเบิงนุ่งจะได้ก็ได้ดอกผ้พาพระกระแมนเด้ผ่าอกหน่อยผ้าอกใหญ่เน้นก็มีขนาดเน้นกระมีขนาดลงุงพระฝรั่งก็มี่ไปใจกันบ่ไรละลากขี่มูขี่ไก่ไปเลยนั่นใจเข้าไป นี่ที่กันนะหลงพอทุกปีก็ไปถวายเพ้นแล้วก็กอนขอพันศาเนี่ยนะไปอะ่ะบางที่อาจจะพุนะูนอาจจะขอพันษาได้ไปอันนั้นก็คือไปฆราวะ ร, ร, รีบไปรีบกลับไปก็คือจะโบยูดุลเพราะวันที่ 10-11 วันที่1ิบเเป็นงาน ทำหีบหลวงปูพงทำบุญครอบรอบเพิ่อนอันนี้ก็คงจะได้เข้ามาเบิงเบงคงจะได้เบิงเบิงเกี่ยวกับการทำบุญเพื่อจะรวมการสรา้่งเบิงเจดีนะั่นแะเจดีหลวงปูพงกําำลั่งเหตุแล้วก็วันที่1ิบวันที่สิบสองวันที่สิบสองเป็นงานทอดผ้าป่า สามัคคีเพื่อหาทุนพระสงฆ์อาพาธมูลนิธิหออภิบาลสง์หลวงปูมันผู้ริทะโตโรงพยาบาลศรีนครินต์อันนี้หลวงพ่อก็ถ้าเกิว่าเป็นประธานจัดงานกระแมนเพราะลุงพวกลุงพ่อเป็นประธานมูลนิธิหออภิบาลสง์หลวงปูมั่นหลว ง, งพ่อก็ได้สักชวนพระสงฆ์ ในมโนเะนื้อกูบายการมารวมการถอดผาป้าเพื่อผ่าสงเจ็บไขได้ป่วยจะได้ใช้ทุนที่พวกเข้าถอดเป็นผาป้านี่แหละคื อ, อยาบางตัวส ม, มุน่พรยาบางตัวพันแพงเด้ราคาสามาสาร้อยบาทถึงสิหรือหาร้อยบาทถึงนสิทางโรงพยาบาลเขาใหา้ได้เพียงสามรอยบาทยาเม็ดหนึ่งยามะเล็ง โอ้ทำไมแพงนะักเจะไปหาวอมันแพง่งเลยเม็ดลยสามพันก็มี่เ อ, อ, อย่ามาเล่งเลยชุดแท้แต่เขาสีว่าเข็มละหาเมือนก็นมีเนี่แหละอันนี้ขีดความสามารถของโรงพยาบาลเขาหายได้เพียงสามรอยบาทนะอีกสองรอยบาทนะเ้ากว่าใจของทุนเนยลยนะของทุนนี่พวกเข้าไปรวมกันทอดซนะื้อยาเม็ดนั่นนะเพื่อถวาย ผู้บาดาจย์ที่จําเป็นจําเป็นจะต้องได้ใช้ยาประเภทนั้นนี่สิละเงิ่อนกองทุนในจาเป็นจังสันแล้มันมเมนต่ยา ย, ย่างเดียวพวกทำฟันก่อไปหาฟันบวมมีก็มีผป ม, มันมีเงินสีใส่ฟันทางโรงพยาบาลสีนักลิตเน่ห้าของห้านีก่กองทุนมีอยู่นะเออเอาถวายฟันเห็ดฟันไหนผลใสเห็ดฟันใหิผน ถอนฟันใหเพนเหดแวนตาให้เพิลเหตขาเทียมหเหยพลนี่แหละมันมีหลายมีเพิินหลายเพลินคือกันเนี่เพราะนั้นจึงได้รวบร่วมกันทอดพาปลาสามกุ๊ขี้เพื่อหาทุนนี่แหละปรับลุงพระพุทธศาสนาเพลินจะไปหาเงื่อนไสล่พระสองฆ์องค์เจ้าบางที่เพลินกับมีอิติเลนะขลากหน่อยก็บมีผู ม, มีมากก็บมีแข่นมียังแบบ หลวงตามหาบวทุกองทุกองค์่บวจจำเป็นแล้วจะหาทุ่นใส่โลงพยาบาลหลวงตาไปใส่มีตะคลุนซอยทั้งมดัดน่ะแต่มันบอกคือหลวงตาดทีบางองคนะยากลำบากด้วยปจัจจัยซีแต่ผนกับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในถ้มอยู่ในรรมวินัยแต่ผน บม่มีอันนี้สงท่านของเพิ่นบม่มีแต่เก่าแก่แต่เพิ่นกับปฏิบัติดีนี่แหละเมื่อพบนเขาโ่วงพยาบาลก็เฮ็ดยังไงล่ะอายุค้ายามว่าได้พกหมอเขาอยากจะถวายเพิ่อนยศแต่บม่มีนี่แหละอันนี้หลวงพ่อจึงได้รวบรวมคณะสงฆ์มูพกเพื่อนทุกองค์ไปร่วมกันถอดผาป่ า, ปาหาทุนไหวสำหรับพระสงฆ์อาพาเดอ เพิเพิ่งฟังฟังเหลือมีประโยชน์อย่างมากเลยครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์เพิ่นผู่มีบุญวัดสนามบรารมีบุญนักสักไงเพิ่นก็ไปล่องพิบาลท่างกรุงเทพลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นมาลุ่มมาตุมเพิ่นก็บบ่บมีบ่มีปัญหาเพราะว่าครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นหลายช่วยเหลือเพิ่น อ, องค์จังสั่นบ่มีปัญหากับพานไปได้ แต่องค์ที่อยู่ป่าอยู่ดงเพิินบุคคยได้ออกสังคมเนี่ยมุมสีสีอยู่ในวัดของเพิิน่ะเพิินปฏิบัติรักษาศีลภาวนาของเพลินแต่พอเพลเวลาเพลินป่วยอะเหตุจากไหนบ้านเนี่ยไปมองไดที่อยู่ในหลักประทรบพินัยลักษาเพลินดีเพลินก็จะต้องไปโรงพยาบาลนั้นสีนคกลินเด้อเนี่ยเพลินก็จะไปโรงพยาบาลสีนคกลินเพราะว่าโรงพยาบาลสีนคกลินเขาอยู่ใน รูจักเรื่องวิธีการปฏิบัติกับพระผู้หญิงเนี่ยเขาจะปล่อยมาจับพระ เ, เพิ่นกระสบายใจนั่เพิ่นก็ไปดูโรงพยาบาลเขาก็ดูแลเพิ่นตีเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือเพิ่นที่บูงจักขู่ค้นมากเพิ่นก็ไปมองนี้นี่แอ น, นี้แหละคือส่วนหนึ่งที่พวกเข้าได้หาทุนแต่ปีที่แล้วนะก็ ใส่มากอยู่เลยปีก่อนน่ะปีก่อนว่าถามว่าใส่หลายปนายันไดใส่ประมาณล่านเจ็ดล้านเจ็ดล้านแปดแต่ว่าปีนี้ที่ใส่หลายปันได้ว่าพระมันมากทวี่ขึ้นคุ้นขึ้นเรื่อยๆในตึกสงอาพาชั้นเนี่ยชั้นที่สิบเนาะ่ท่านที่สิบมีอยู่สามสิบหกสามสิบหกเสาสิบเจ็ดเตียงเน่ย หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็เออดีเด้ดียังไงก็คือพกทั้งหมอทั้งพยาบาลเพิ่นกรให้ความใส่ใจต่อพระสงฆ์องค์เจ้าดีมากทั้งหัวหนดัดตึกปูดูแลนันการเพิ่นก็ดูแลพระสงฆ์ดีแล้วก็พยาบาลก็มีทั้งพยาบาลผู้ชายตึดูดูแลไปเห็นแล้วก็หลวงพ่อก็พยายามเตือนอยู่ถูกหลาเนเออจะเหตุเห็อยู่ในหลักพระธรรมวินัย ไปออกนอกรูนอกทางนะองใดแมอามาปฏิบัติ ต, ตนว่ดีกับเอาออกเพิ่นออกไปกรไดพูดนะ้น่ะออกไปโลงพยาบาลศูนย์ก็ได้ขันว่าเพิ่นเ่อยู่ในกฎระเบียบขันว่าเพิ่นอยู่ในกฎระเบียกบก็ให้ปัญญูอาบางองค์ก็ยางวาขึ้นกันเไอาบางองค์ยางวาขึ้นกันแต่กระบวงพอก็ะบอยจากเป้าดอกว่ะแต่ได้ยินมาลกะกัเออ ขบวนอาจจมีเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแต่มันก็มีเนี่ยอันเองก็คือหนึ่งแต่เมื่อวานนี่ยก็มีพระมาจากอำเภอหนองสูงคําชะอีปน่ะบอกกับหลวงพ่อม า, อานนว่านั่นหรอวะโอ้หลวงพ่อพระอยู่แถวอำเภอคําชะอีหนองสูงทังทีนึ่นก็มีหลายอยู่ แต่เวลาไปโล่งพยาบาลกระบอดสะดวกเพราะว่าบ่มีเป็นที่บ่มีที่พักเป็นเอกเทศพ่อไปแล้วอะมาล่มมาตุ่มพักไปพักกับโยมนั่งเฮี้ยงกันเตียงโยมเบิงเบิง เ, งเงลยกระบอดนั่นพกผมอยากจะส้างเตึกส่งอาพาธสักห่องสองห่องเพื่อให้พระสงฆ์ได้มาพักแามเจ็บไขได้ป่วย แต่เดี๋ยวนี้ก็มีเงื่อนยู่ล้านนึ่งละละ่ะแต่เขาควรจะได้ประมาณอีกสักสามแสนปัห่องนี้วทั้งล้านสามแสนขนาจะเพียงพอกลุงพอจีพ่อซอยไดบุน้อยสามแสนเอ้าเลยเอเ อ, เอรับไปปีเจนรนาลุงพอก็พ ไ, ได้ิหาทีเดียวเลยเวลารับแล้ยก็ต้องเบิ้งกระเป๋าเจ้าของขึ้นกันเนาะเป็นไปได้บ่เขาก็มาท่วงอีกเมื่อพัน มันเกิดหลวงพอนะ่อหน่ะวันยี่สิบเ็ดเมษายนหลวงพ่อจะพ่อเป็นไปได้เพราเอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเตรียมหายถึงได้ปะเตรียมหายไปตกลง่องก็ได้กันนะสามแสนเนีตกลงกับสร้างเขาเลยก็ได้มือว่านเขาม้าอีกมาะนะว่านลงมาอีกหลวงพ่อก็เออเอ า, เอาตกล่องมนี่แหละอันนี้เขาจะต้องไดินหาทุกปัจปจัยไป ซอยซอยสมทบตึกสร้างตึกดูแลพระสงฆ์ที่มีความจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเขาโล่งพยาบาลมัญหาหม่องผักหม่องนอนบ่ได้นี่แหละหลวงพ่อาย จ, จะทุปัจจัยที่ศรัทธาแาตดนุ่มถวายมาเนี่หลวงพ่อนี่คิดแล้วคิดอีกขึ้นกันเนีตรงไหนจะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อก็ได ว่ให้ว่าถวายจุดนั้นไปแต่ข้าวนี่ก็คงจะได้ถวายไปละเพื่อให้ตึกหลังนี่ขึ้นเป็นไปได้แต่ว่าลืมหลังไงก็ยังที่หลวงพ่อว่ามานสร้างตึกหนีไฟอยู่เมืองอุดอรนะครกับตึกจอดรถเขี่ยงเขี่ยงครับเขี่ยงกันกับตึกตลงตาน่ะ สิบสันขึ้กันสูงสิบสันขึ้นกันเพื่อเวลาไฟใหม่ถ้าเกิดไฟใหม่ไปฮาลังเทือไฟใหม่ไปบมเมนไฟจิใหม่โดยเด้ยฮาลังเทือต่อไปในอนาคตมันบอแน่นอนเลยฮาฮาลังเทือไฟใหม่ตึกหลงตาสิทธิ์จังไรตึกสิบสัน ไปที่ปติดปีกไหคือบางบ่อไรเด้ไปติดปีกไหคนป่วยคือบางเจิดลงเจิดลงบ่อไรได้กาโยนออกมากกว่าป่านยนกระสอบแล้ว่ะไหวย่นมาได้บอว่ากระดูกแตกกะดูกหักเพิ่น่ะได้เส้นไหคนป่วยบันทีแล่น้ำเขาก็แล่นบ่อไรอยู่ตึกสิบชัน้นไฟใหม่สั้นหนึ่งชั้นสองลิบก็ลงบ่อไรได้เขาตัดลิปอีก บันไดก็ลงบันไดควันทูขึ้นไปเฮ็ดอย่างไรนี่แหละมันมีความจำเป็นตึกหนีไฟเนอะก็เลยสีสางตึกหนีไฟเคี่ยงคู่กันเวลามีความจำเป็นมากขึน้นกับเจดิตแลนออกมาทาังหนีไฟมันเป็นสะพานร้อยมห า, หาการเชื่อมกันหามเตียงออกมากขนค้นไข่ออกมากเพราะตึกตรงตานี่ทั้งหมดเกือบสามอยเตียง 200ยคู่เตียงคนไข่ทั้งร่วมทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งญาติคนไข่พร้อมก็ต้องเป็นพนะันน่ะตึกรลงังเนี่เวลาไฟไหม้เกิดขึ้นเหตุยังไงคนหลายปนนั่นนี่แหละทั้งผ อ, อ, อทั้งโรงพยาบาลทาั้งท่านผู้ว่าทั้งหลวงพ่อนะ่ยได้ซอยกันขิดจังเงินโรงพยาบาลกับมีบลาย เงินขาดอยู่ประมาณสามล้านตรงพอก็ได้รับเป็นพระละเกื่นเออเอ้าพอตองตอรองเขาอีกเนอะตอรองกันอีกแล้วตกร์มันลอยลอยสิบกว่าล้านลอยสิบเก้าล้านผู้เสนอสูงสุดวานนี้ผู้เสนอต่าสุดนี่คันชุดท้ายเนี่ยเขากันกันลงกัไปได้เจ็ดสิบแปดล้านมึงฟัง ตังกันป่านะจงพอไปเป็นประธานประมุ่นหมดไปให้หาทุนประมุ่น78ล้านจะไปพอหรืมังป่านนี้วะปานนี้ยังขาดเงินอยู่3ล้านจงพอเออเอาหอดมือว่างสีล่าเลิกหอดมืองั่นคงจะหาทุนจากพี่น้องชาวเมืองอุดอรเท่าเลยละตึกล้านบ้านช่องผู้ไดพ่อที่มีอันจะกิน ก็มาซอยๆกันข้นานม่ผมมีผมได้ออกทแท้ๆเอา้าหลวงพ่อสิเป็นผู้รับผ้าละสามล้านเห็นไหมเอ้ยสั่นแหละหลวงพ่อเนี่รับไปเรื่อยๆไปหลวงพอ่อวัดหลวงพอกว้างยเยอะกว่าอันหาใจบรัยเอาวัดเขาธนาค่านก็ได้ต่อพี่น้องลูกลานเขาเอาเงินเขาธนาคา่านเขาเอาที่ดินเขาธนาคา่านโฉนดเขาธนาค่ารเนีเอาเขา เอาวัดเขาธนาคารเขาธนาคารคิวบลับอยู่ก็เงินสักสามล้านเนลวงพ่อใจใหญ่ปนั่นเราเนี่ยกับเส้นสัญญากันอะไรได้เส้นสัญญากันไรทีญญ่โลงมือดละสิบสี่เดือนแล้วตั้งแต่มื่อเส้นสัญญาไปนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อก็มองเห็นความจําเป็นจําความจําเป็นของประเทศชาติของพี่น้องประชาชน ถึงจะนักไปบังก็เป็นไปได้คิดว่าเป็นไปได้นะ แ, แปะหลวงพ่อก็ลับแต่ว่าเสียงใดที่เป็นไปบ่ใดหลวงพ่อก็บรรลับคือกันได้เพราะนั้นคณะจัดท่าญาติโยมลูิษลูกหาหลวงพ่อคือกักนหลวงพ่อก็บอกเลยผู้ใดเข้ามาใกล้หลวงพ่อเนี่เอ้ยถึงหลวงพ่อจะรับยังก็ตามนะสุเจออ้าจะนักใจเด้อขั้นสุเจ้ามีเออเอามาซ้อยขั้นสุเจ้าบ่กมียาเด้อ ย่านักใจกระเพ้าเข้าเป็นนักพจนักบวชก่อนเข้าจีรพียงเขาต้องคิดตีสะกอนเข้ายังคอยรับขั้นเข้าบุคิดดีเสะก่อนเข้าไป็นลาบลอดเข้าเป็นคู่บายจานซู่เจ้าอะไรหรอกแอนขอนเข้าคิดบุดีสะกอนไปลาบลอดเป็นนี้เป็นศีลพระลุงพลั่งจนหายซุ่เจ้าเดือดร้อนเข้าเป็นซุ่เป็นคู่บายจานซู่เจ้าบะไรจแสดงว่าเข้าขาดความรอบขอบ เขาต้องรอบขอบพ่อต้องกันกล่องไตรตรองเบิ่งแล้วว่าบ่มีปัญหาที่จะทํางีเรื่องนี้ได้เฮาจึงรับปากในเรื่องนั้นเมื่อรับปากแล้วแบบขันชูเจ้าสีซอยอยากได้บุญนำ้ำเคอเอาบว่ากันกันทว่าสินักใจโอ้ยตรงพอแบกเป็นพาละล้วตายแล้วเข้าขายกิจการซอยหลวงพ่อตะข้าวเหนียว เรต้องคิดมนันออกไปเพราะหลวงพอ่อก่อนจะรับสิ่งใดหลวงพอก็นั่งคิดนอนคิดเอาเมื่อยกายนาผาคิดเป็นไปได้แล้วหลวงพ่อยังได้รับเรื่องนั้นๆั่นประนแต่ไหนแต่ไรมากหลวงพ่อจะบอให้นักใจเรื่องวัตถุขั้นที่ไม่นักใจก็นักใจหลวงพ่อให้ภาวนาเนาะ นั่งเพาว่าน่าให้เล่งความเพียร น, นะให้นางมัดขึ้นเนะให้เดินจ่กรมเนะให้บังคับใจเจ้าของเนอะอันนั้นให้นักใจวนลงไปต้องสู้อย่างที่หลวงพอบอกขันหลวงพอบอกให้สู้เลย ล, ละแหลบบ่ได้จุดนั้นเหตุยั้งล้แลบล้แหลบเนะี่ยไม่ปักขี่เล่นไม่ปักขี่ควายไม่ปักขี่ตม้มเออพอร่มพัดมากกับทรายหนาทรายหลังนะเออ บ่อได้อันนั้นอันนั้นต้องเข้มแข็งต้องเอาจริงจังที่หลวงพอบอกจุดนั้นแต่ทางด้านวัตถุนี่บอ่บอบ่ให้นับใจแต่ว่าบอ่อให้ประมาทขึ้นกันให้ทําบุญให้สั่งบุญสั่งกุศลแล้อันนี้มันเป็นหนทางส่วนหนึ่งขึ้นกันคนห้าบ่มีบุญเกิดพบนาชาตินากันเกิดชาตินี้ลุ้ยเกิดชาตินากระจนใดขึ้นกันเพราะบ่ได้ตอบุญเอาไว้ คือกันกับปีที่แล้วเขาเฮ็ดหน้าเนี่ยเฮ็ดหน้าใส่เขาไว้เต็มมัดยุ่งสางอืกินคนมันหลายกินเขาไปปีนี้บรเฮตต้อนแล้วปีต่อไปเฮ็ดยังไงมันก็บมัดคือกั น, เ, นเขาอยู่ในเลราเขาอยู่ในยุงในสางนี่คือกันอ่ะเฮ้าเกิดพบนี่ชาในลุย้ยกันเฮ้าวัฒนบุญต่อ มันอาจจะมดบุญก็ได้ เ, เพราะเฮากขโบจักคือกันตนทุนเฮาเหตุมากจังไลยหรือว่าตนทุนของเฮาจะย่าวน่านไปอีกก็ได้ อ, อ, อย่างพร้ามทําบุญมากแล้วพระพุทธเจ้าบรรดาชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายเขามัดบุญแล้วพราะว่าชาตินี้เป็นชาติที่เจ็ดเขารุ้ยมาเจ็ดชาติเป็นเศรษฐีมากเศรษฐีแปดสิบโกดโกดนึงกับสิบปัน แต่ชาติมันมดแล้วเนี่ยนะมันมดบุญบุญกับมดเป็นขึ้นกันเด้บาปมันก็บมดเป็นบุญมันก็บมดเป็นบาปมันมดยังไงขึ้นคนเขาคุกนะ่ะอพอเขาคุกตัดสิยี่สิบปีพอเขาไปปีเนีงปีสองกัลดลงลดลงไปมากกว่อภัยโทษเขาไปแน่ผลที่ชุดเขามัดบาปเอ่อมดบาปเป็นไท้าเป็นอิสระ ยิ่งขั้นเขาสิเพิ่มบุญบาปเพิ่มสิเพิ่มบุญเขาอีกขั้นเพิ่มบาปาอีกก็ติดโคกอีกติดขุกบมีฟันออกเพราะอเพราะมันมีบาปคัณฑาว่าเขามีบุญเข้าเอาบุญเข้าไปเท่ากันสางบุญไปเรื่อยๆบุญต่อบุญไปเรื่อยๆอคือมีแต่ความสุขความเจริญเขา้าพวกเขา้าทุกคนเขาต้องการนําบาปบาปต้องคือความถูกเนาิต้องการอย่างไงคือมันห้อน ข้าต้องการแต้บุญน่นแลนะเนี่ยอันนี้คือการทำท่ า, ทานรักษาศีลพวนา เ, นเป็นหนทางตอบุญตอกุศลเพราะนั้นให้พวกขา้าวจะตั้งอยู่ในความประมาทนะเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระธรรมคัมสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกข้าการก่องไตรตรองเหตุและผล ที่เฮ้าได้ศึกษาได้ยินได้ฟังดวงพอวันดวงจะเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับสาหรับชีวิตของพวกเฮ้าทั้งนั้นแหละแต่พอพวกเฮ้าบวตอม ม, ม, มดเป็นคือกันได้บุญก็บมดเป็นคือกนอยังที่บานนั่นอ่ะรับพร น, นอะออนุโมทนาให้พร